วันนี้ก็เป็นวันพระภาษาพระท่านเรียกวันธรรมสวัวันธรมนนธรมสวัสแปลว่าวันฟังธรรมทำไมต้องฟังธรรมก็เพราะว่าพระพุทธศาสนานเป็นเหมือนโรงเรียนเป็นโรงเรียนที่จะให้ความรู้แก่ผู้ที่เข้ามาเข้ามาแลศึกษาศึกษาแล้วจะได้ความรู้ เหมือนกับความรู้ที่เราไปเรียนตามโรงเรียนต่างๆแต่เป็นวิชาที่ไม่มีสอนในโรงเรียนต่างๆความรู้ของพระพุทธศาสนานี้เป็นความรู้ที่เหนือกว่าความรู้ทั้งหมดในโลกนี้เพราะความรู้ต่างๆในโลกนี้ไม่สามารถที่จะทำให้ใจของพวกเราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ ต่อให้เรียนจบปริญญาเอกใจของเราก็ยังทุกข์ได้ยัยงเศร้าโศกเสียใจยังร้องห่มร้องไห้อยังกังวลกวายก็สับก็สรายยังวิตกกังวลกับเรื่องราวต่างๆได้แต่ถ้าได้เรียนได้เรียนความรู้ของพระพุทธศาสนาแล้วใจจะหายทุกข์จะไม่ร้องห่มร้องไห้ไม่เศร้าโศกเสียใจ จะไม่วิตกกังวลไม่วุ่นวายใจไม่เดือดร้อนใจไม่เสียใจไม่ว้าเหวไม่เศร้าหมองอ น, นี่คือความแตกต่างระหว่างความรู้ของพระพุทธศาสนากับความรู้ทางโลกความรู้ทางโลกนี้เป็นความรู้เพื่อให้เรานำไปใช้ในการอ่า ทำมาหากินเป็นวิชาที่เราเรียนแล้วเราสามารถที่เอาไปทำงานทำการแล้วก็มีรายได้จากการทำงานทำการรายได้ที่เราเอามาก็ได้ใช้ประโยชน์ในการดับความทุกข์ทางร่างกายเช่นร่างกายหิวไม่มีอาหารถ้าเรามีรายได้เราก็มีเราก็าไปซื้ออาหารมารับประทาน ร่างกายก็ไม่หิวร่างกายก็อิ่มตลอดเวลาความรู้ทางโลกนี้ใช้สำหรับการดับความทุกข์ทางร่างกายแต่ไม่สามารถดับความทุกข์ทางใจได้ถึงแม้จะมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านก็ยังไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ใจได้ใจก็ยังวุ่นวายใจก็ยังไม่สบายได้ถ้า เข้ามาหามาศึกษาความรู้ทางพระพุทธศาสนาก็จะได้ความรู้ทั้งสองทางความรู้ที่เอามาใช้กับเลี้ยงดูร่างกายแล้วความรู้ที่เอามาใช้กับการดับความทุกข์ภายในใจเช่นคนที่มาบวชนี่ท่านก็สอนให้ไปบิณฑบาตบิณฑบาตก็ ได้อาหารแนละ้วกินวันํามื้อก็พอไม่ต้องกินมากกินเพื่ออยู่ไปบินตบาตเขาก็ให้อาหารมากินกันอันนี้เรื่องหากินทางศาสนานี่ง่ายไม่ต้องหามากหาเท่าที่จำเป็นอาหารตอนเช้าก็ให้บินตบาต ท, ที่อยู่อาศัยก็ห า, าฐานที่สงบสงัด ห่างไกลจากความวุ่นวายต่างๆเท่นไปอยู่ในปา่าอยู่ตามโคนไม้อยู่ตามเงื้อมผาอยู่ในถ้ำอันนี้ก็เป็นที่อยู่ได้ยารักษาโรคท่านก็ให้ใช้ยาตามมีตามเกิดยาดองน้ำปัสสาวะก็ดื่มได้รักษาโรคได้ เครื่องนุ่งห่มก็สมัยพระพุทธเจ้าก็ไปหาผ้าเศษผ้าที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าผ้าห่อศพก็เรียกผ้าบางส ก, กุลเอาผ้าเหล่านี้มามาปะมาเย็บมาตัดมาต่อให้เป็นผ้าผืนใหญ่ไว้สำหรับนุ่งห่มแล้วก็ไม่ต้องมีมากมีแค่ชุดเดียวก็พอ มีผ้าหนุ่งอยู่ผืนหนึ่งมากผ้าห่มอยู่ผืนหนึ่งผ้าห่มกันหนาวอีกผืนหนึ่งเท่านี้ก็พอแล้วสำหรับการเลี้ยงดูร่างกายต่อให้มีมากกว่านี้ก็ทำหน้าที่ได้เท่ากันเลี้ยงดูได้ร่างกายเหมือนกันต่อให้มีบ้านราค า, าล้านสิบล้านมันก็ไว้สำหรับหลับนอนนอนตามโคนไม้ก็หลับนอนได้เหมือนกัน นอนตามเงื่อนผาตามถ้ำตามเรือนร้างพอหลบแดดหลบฝนได้ก็ใช้ได้ไม่จําเป็นจะต้องเสียเงินมากไม่ต้องหาเสียเวลาไปหาเงินมาสร้างคาหาดอันใหญ่โตเพราะว่ามันก็ทําหน้าที่เหมือนกันมีบ้านร้อยล้านกับเช่าบ้านอยู่มันก็เป็นบ้านเหมือนกันเป็นที่ที่หลบแดดหลบฝนหลบภัยต่างๆได้เหมือนกัน เสื้อผ้าก็เก็บตามกองขยะตามป่าชา้าแล้วก็เอามาตัดมาเย็บนํามาซักมาย้อมต้มน้ำเอาแก่นไม้ต้มมันจะมีสีเหลืองๆ อ, ออกมาก็เอามาย้อมเป็นเป็นผ้ากาสาวพัฒนี่คือวิธีอยู่ของนักศึกษาทาง ทางพุทธศาสนาคือผู้ที่มาบวชผู้ที่บวชนี่ก็เป็นนักเรียนมาเรียนวิชาที่จะดับความทุกข์ภายในใจดับความทุกข์ทางร่างกายวิธีดับความทุกข์ทางร่างกายก็อย่างที่เล่าให้ฟังให้บินตบาดอยู่โคนไม้ใช้ผ้าบางสกุลดื่มน้ำปัสสวะยาดองปัดด้วยน้ำปัสสวะเวลาไม่สบาย ตอนนี้ก็อยู่ได้แล้วส่วนทางใจก็ให้มาดับความทุกข์ใจกันสาเหตุที่ทำให้ใจเราทุกข์พระพุทธเจ้าทรงค้นพบ ว, ว่าเกิดจากกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆพอเราเกิดความโลภขึ้นมานี้ใจเราไม่สบายนะเกิดความอยากขึ้นมานี้อยู่ไม่เป็นสุขต้องไปหาสิ่งของที่เราอยากได้กัน ถึงจะมีความสุขแต่ได้มาเดี๋ยวๆเดี๋ยวความอยากอันใหม่ก็โผล่ขึ้นมามันจะโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆถ้าเราไม่หยุดมันมันก็จะถ้าเราทาตามความอยากความอยากมันจะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเราจะอยากมากขึ้นไปเรื่อยๆตอนต้นก็ได้คือพอได้คือก็อยากจะได้เป็นศอกพอได้ศอกก็อยากจะได้เป็นวา ตอนต้นไม่มีเงินขอให้ได้สัก10บบาทร้อยบาทก็ดีใจสมัยเด็กๆไปโรงเรียนได้เงินวันละ10บาทร้อยบาทก็ดีใจพอ โ, โตขึ้นเรียนจบได้เงินเดือนเดือนละหมื่นสอง0 0ืก็ดีใจแต่ก็ไม่พอต่อไปก็อยากจะได้เป็นเดือนละแสนจากแสนก็อยากจะได้เป็นเดือนละล้าน ได้ไปเท่าไหรก็ไม่พอและเวลาไม่ได้ก็เสียใจทุกใจเหมือนเดิมนี่คือความอยากความอยากถ้าไม่ทําตามความอยากมันก็จะลำคานใจหนุนหงิดใจอยากจะได้อะไรแล้วไม่ได้สังเกตดูเวลาเรามีลูกมันขออะไรนี้ไม่ให้มันมันมันโวยวายมันดิ้นมันหาเรื่อง พอให้มันแล้วมันก็ดีใจเดี๋ยวเดียวแล้วเดี๋ยวก็อยากจะได้ของใหม่กละขออยู่เรื่อยๆอยากได้อยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเราบอกไม่มีเงินจะซื้อให้มันเดี๋ยวมันก็หยุดเองะเมื่อขอแล้วดิ้นแล้วโวยวายแล้วก็ไม่ได้เดี๋ยวมันก็หยุดเองแล้วต่อไปมันก็จะไม่กล้าขอเพราะรู้ว่าขอก็ไม่ได้ นี่คือความอยากตัวที่ทำให้เรามีความทุกข์กั น, นความอยากที่ทำให้เราทุกมีอยู่3ชนิดด้วยกันชนิดที่หนึ่งเรียกวความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะรูปเนี่ยอยากดูรูปอยากฟังเสียงมีใครอยากจะดูละครนะอยากฟังเพลงนะอยากไปดูคอนเสิร์ตนะดตูดาวตลกดู ดาราร้องร้องนำทาเพลงเต้นแร้งเต้นกาเป็งออกสง อ, อกเสียงดูแล้วมีความสนุก เ, เพลิดเพลินถ้าอยู่บ้านแล้วรู้สึกเหงาว้าเหวเวลาเกิดความอยากแล้วมันจะอยู่เฉยเฉยไม่ได้อยู่บ้านมันก็จะเหงาจะว้าเหวก็อยากจะดูอยากจะฟังบางทีก็อยากจะกินอยากจะดื่มบางทีก็อยากจะมีแฟน นี่ก็เป็นความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายอยู่คนเดียวเหงาคิดว่ามีแฟนแล้วจะมีความสุขพอได้แฟนมาก็หวงแฟนแล้วก็มาห่วงแฟนแล้วก็มาเสียใจเวลาแฟนจากไปหรือเวลาแฟนทิ้งเราไปนี่คือความสุขที่เราหากันกลายเป็นความทุกข์ไปทุกครั้ง เพราะสิ่งต่างๆที่เราหามาได้มันได้มาแล้วมันก็หมดไปไปเที่ยวมากลับมาบ้านมันก็หมดไปก็ต้องออกไปเที่ยวใหม่ไปเที่ยวกี่ครั้งกลับมามันก็หายไปหมดพอไม่ได้ออกไปเที่ยวก็งดเหน็ดนาคาญใจแล้วถ้าเกิดร่างกายเป็นอะไรไปไม่สามารถ ไปเที่ยวไปทำอะไรได้ก็อยากจะฆ่าตัวตายถ้าเกิดร่างกายเป็นอมภพอมภาตพิกล พ, พิ ก, พ ก, การไม่สามารถหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ก็ไม่อยากจะอยู่ไม่อยากจะฆ่าตัวตายอันนี้เป็นความทุกข์ที่เราไม่เห็นกันเราไม่คิดกันเราคิดว่าเป็นความสุขกัน เวลาอยากดูละครก็เปิดดูกันเวลาอยากจะดื่มเครื่องดื่มแล้วก็ดื่มกันแต่ไม่คิดเวลาไม่มีเงินซื้อมาดดื่มจะทํายังไง mm hmm. เวลาเงินหมดเว่าเครื่องดื่มเขาเขาไม่มีขายแล้วอยากจะดื่มมันก็พอไม่ได้ดื่มไม่ได้ทําตามความอยากมันก็ทุกข์กันไม่สบายใจกันอันนี้คือความอยากชนิดหนึ่งเรื่อความมา ความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสความอยากมีอยากเป็นก็อยากร่ำอยากรวยอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากให้คนยกย่องสรรเสริญอันนี้ก็เป็นความทุกข์เหมือนกันพ่าเวลาไม่รวยก็ทุกข์กันวันหวยออกนี่โอ้ยดีใจกันแทงหวยกันพอหวยออกปั๊บไม่ถูกก็เสียใจเศร้าใจกัน ก่อนจะออกนี่ก็ดีใจกันเก่งกําไรกันกังวนก็วายกันรุ้นกันพอไม่ถูกก็เสียใจพอถูกก็ดีใจเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเงินไปใช้หมดแล้วหมดแล้วก็ต้องมาซื้อใหม่เป็นการหาความทุกข์งั้วอย่าไปอยากรวยรวยแล้วเดี๋ยวเกิดมันจนก็จะทุกข์ สู้จนดีกว่าจรแล้วมันไม่มันไม่มันมไม่จนแล้วถ้าเราอยู่กับความจนได้เราก็สบายอันนี้ก็ความอยากมีอยากเป็นหรืออยากให้คนนั้นคนนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยู่กับแฟนอยู่กับคนนั้นคนนี้อยากให้เขาเป็นอย่างนั้นให้เขาเป็นอย่างนี้พอเขไม่เป็นอย่างที่เราอยากได้เราก็ไม่สบายใจเราก็ทุกข์ใจ อันนี้เรียกว่าความอยากมีอยากเป็นความอยากที่สามก็คือความอยากไม่มีอยากไม่เป็นอยากให้เขาไม่เป็นอย่างนั้นอยากให้เขาไม่เป็นอย่างนี้เขาเป็นอย่างนี้ไม่พอใจอยากใจก็เป็นอย่างอื่นหรือเราเป็นอย่างนี้เราก็ไม่พอใจเราอยากจะรวยกว่านี้ดีกว่านี้สวยกว่านี้พออยากเหล่านี้มันก็ทำให้เราต้องดิ้นรน ไปทำตามความอยากแล้วถ้าไม่ได้ก็เสียใจทุกข์ใจพระพุทธเจ้าบอกว่านี่ไม่ใช่ทางไปสู่ความสุขทางไปสู่ความสุขต้องมาหยุดความอยากกันถ้าเราหยุดความอยากได้ใจเราจะสงบแล้วใจเราจะมีความสุขจะมีความอิ่มโ饱ขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องกินอะไร เวลาใจอยากเวลาใจหิวเนะี่ยกินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอกินจนกรทั่งร่างกายกินไม่ได้ก็ยังยัดมันเข้าไปจนกระทั่งร่างกายพองออกมาเพราะความอยากกินเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอถ้าอยากจะให้อิ่มไม่พอต้องหยุดความอยากเวลาอยากกินอย่าไปกินมันมานั่งสมาธิกันมาทําใจให้สงบกัน อย่างวันพระนี่ท่านให้มาถือศีลแปดกันอยากกินข้าวเย็นกันตอนเย็นเวลาหิวข้าวเย็นให้มานั่งสมาธิไหว้พระสวดมนต์กันถ้านั่งไว้ไหว้วพระสวดมนต์นั่งสมาธิใจสงบก็จะไม่หิวนี่ยวิธีลดน้าหนักง่ายที่สุดก็คือมาถือศีลแปดกันไม่ต้องไปเต้นแล้งเต้นกาไปเต้นแอโรบิกอลบิก ไม่ต้องไปฟิตเนสเสียงเงินอีกอยู่บ้านก็ได้รักษาศีลแปลดไม่รักษาสีนแปก็ได้รักษาข้อเดียวข้อไม่กินข้าวเย็นหรือกินมื้อเดียวลองหันกินข้าวมื้อเดียวเดี๋ยวน้ำหนักก็ลดเดี๋ยวเชฟเดี๋ยวหุ่นก็กลับมาเดี๋ยวตุ่มก็หายไปเดี๋ยวหุ่นก็กลับมา วิธีที่จะอดข้าวได้นี่ต้องทําใจให้สงบให้ได้เพราะถ้าใจไม่สงบมันจะหิวมันจะโหยแล้วมันจะทรมานใจแต่ถ้าเรานั่งสมาธิทําใจให้สงบได้มันจะหายหิวมันจะมีความอิ่มปรปากฏขึ้นมานี่แะคือความสุขที่เราควรจะหากันเพราะเป็นความสุขที่ไม่ต้องใช้อะไร ไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องใช้คนนั้นใช้คนนี้ไม่ต้องใช้รูปเสียงกลิ่นรสใช้กำลังใจเราตัวเดียวใช้กำลังสู้กับความหิวใช้สติความหิวนี่มันเกิดจากความคิดของเราถ้าเราไม่คิดถึงสิ่งที่เราอยากกินมันก็ไม่มันก็ไม่หิวตอนนี้เราไม่หิวเพราะเรายังไม่ได้คิดถึงอาหารที่เราอยากจะกินนถ้าเกิดคิดขึ้นมามันก็หิวขึ้นมาทันที เราอย่าไปคิดกวคุมความคิดว่าอย่าปล่อยให้มันไปคิดถึงอาหารหรือถ้าจะแก้อย่างถาวรเวลามันคิดถึงอาหารก็อย่าไปคิดถึงอาหารที่อยู่ในจานอยาไปคิดถึงอาหารที่อยู่ในปากหรืออยู่ในท้องเวลาถ่ายออกมาเวลาเจียนออกมานี่มันน่ากินนะไหนถึงอาหารแบบนั้นถ้าเห็นอาหารที่มันถ่ายออกมาจากร่างกายมันก็จะไม่อยากกิน มันก็เป็นอาหารที่เรากินเข้าไปนี่อาหารที่เราอยากจะกินที่เห็นอยู่ในจานเราก็กินเข้าไปกินเวลาอยู่ในปา ก, ก็อร่อยถ้าอยากจะทำไมไม่คายมันออกมาดูหน้าตามหน่อยว่าคายอร่อยมันเป็นยังไงคายอาหารที่กำลังเคี้ยวอยู่ที่กำลัง อ, อร่อยๆคายออกมาแล้วก็ตักเข้าไปกินใหม่ดูที่ว่าจะกินลงนะ นี่คือวิธีที่ทำให้ไม่หิวเวลาหิวอย่าไปนึกถึงอาหารที่อยู่ในจานอย่าไปคิดถึงอาหารที่เขาโฆษณาติดป้ายไว้ถ่ายรูปสวยๆให้ดูให้คิดถึงอาหารเวลาที่เราอัดเจียนออกมาในเวลาที่เราถ่ายออกมาถ้าคิดถึงอาหารแบบนี้รับรองได้ว่าไม่หิวกินไม่ลง ความหิวมันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายความหิวมันอยู่ที่ใจอยู่ที่ความคิดถ้าไปคิดถึงอาหารที่ถึงภาพอาหารที่น่ากินมันก็อยากกินขึ้นมาตอ <c oughs> นนึกถึงภาพของอาหารที่ไม่น่ากินมันก็ไม่อยากกินขึ้นมานึกถึงอาหารบูดก็ได้อาหารที่ทำมาหลายวันและแล้วเ อ, เอามาลองเอามากินดู นี่เป็นวิธีแก้ไม่ได้ให้กินอย่างนี้หรอกเพียงแต่แก้แก้ความหิวเวลากินได้มันกินแต่ไม่ให้มันกินตามเวลาเหมือนกับกินยาฉะนถ้าไมันกินวันละมื้อก็กินแค่วันละมื้อเวลาอื่นมันอยากกินก็อยากอยาปล่อยให้มันคิดถึงอาหารถ้ามันจะคิดถึงอาหารก็ให้มันคิดถึงเนี่ยอาหารที่ไม่น่าดูไม่น่ากินแล้วเราก็จะแก้ปัญหาเรื่องของการอ่ ยากกินอาหารได้แล้วแก้ปัญหาสุขภาพได้ร่างกายเรานี่กินมากๆแล้วมันแทนที่จะเป็นประโยชน์มันเป็นโทษกับร่างกายทำให้โรคภัยมีมีโรคภัเบียดเบียนมีโรคชนิดต่างๆเกิดจากการที่เรารับประทานอาหารมากเกินไปไม่สามารถควบคุมใจเราได้ถ้าเรามาฝึกควบคุมใจนะ สิ่งที่จะควบคุมใจได้เราได้เรียกว่าสติสตินี่เป็นเหมือนเบรกของรถยนต์ใจเราเป็นเหมือนรถที่กำลังวิ่งอยู่ความคิดของเรานี่เหมือนรถที่กำลังวิ่งอยู่มันคิดไปทั้งวันคิดแล้วก็เกิดความอยากต่างๆขึ้นมาคิดถึงขนมก็อยากกินคิดถึงละครก็อยากดูคิดถึงสถานที่ท่องเที่ยวก็อยากจะไปมันจะหลอกให้เราไปหาความสุขที่ เป็นความสุขประเดียวประดาแต่มีปัญหามีโทษตามมาเพราะการจะหาของเหล่านี้มันก็ต้องมีเงินมีทองมีร่างกายที่แข็งแรงมีกำลังวางชาถ้าเกิดเราไปอยู่ในช่วงที่ไม่มีเงินทองหรือร่างกายไม่แข็งแรงร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็จะไม่สามารถหาความสุขแบบนี้ได้แล้วเราก็จะทุกข์เพราะเราไม่ เราอยู่เฉยๆไม่ได้อยู่เฉยๆก็เหงาเบื่อถ้าเบื่อมากๆก็อยากจะคิดฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายก็ไม่ได้แก้ปัญหาเพราะร่างกายมันไม่ได้เป็นตัวปัญหาตัวปัญหาคือความอยากถ้าจะฆ่าต้องมาฆ่าความอยากถ้าเราหยุดความอยากได้ความไม่สบายใจต่างๆจะหายไปความเหงาความว่าเหวความหงดุดหงิดตำคานใจ จากการที่ไม่ได้ทำตามความอยากมันจะหายไปเพราะเราหยุดความอยากได้แต่เราอยากจะหยุดความอยากเราต้องใช้สติมันมีสองตอนขั้นแรกใช้สติเพราะมันง่ายขั้นที่สองใช้ปัญญาถ้าใช้สติก็หยุดความอยากได้ชั่วคราวแต่ไม่ถาวรถ้าอยากจะหยุดความอยากอย่างถาวรต้องใช้ปัญญาเช่นเรื่องอาหาร ถ้าทุกครั้งอยากจะกินอาหารแล้วคิดถึงอาหารที่ไม่น่ากินนะต่อไปมันก็จะไม่กินมันก็จะไม่คิดถึงอาหารอีกคิดทีไรก็ไม่คิดถึงอาหารที่ไม่น่ากินอยากไปคิดถึงอาหารที่น่ากินแล้วต่อไปก็จะไม่มีความอยากกินอาหารเวลากินก็กินแบบบังคับเหมือนกินถึงเวลาก็กินกินเหมือนกินยาหรือถ้าอยากมีแฟน ก็อย่าไปคิดถึงรูปร่างหน้าตาที่สวยงามของแฟนให้คิดถึงรูปร่างหน้าตาที่ไม่สวยงามของแฟนคิดถึงส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายคิดถึงตับไตไส้พุงคิดถึงโครงกระดูกคิดถึงอวัยวะต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายเลยคิดถึงเวลาร่างกายมันไม่หายใจเวลาร่างกายตายไปแล้ว ถ้าแฟนเราตายไปนี่เรายังจะเก็บเขาไว้ในบ้านอยู่หรือป่ายังอยากจะนอนกับเขาหรือเป่าเลยยกให้สับเปล่อเลยเวลายังมีลมหายใจนี่ใครมาขอไม่ยอมให้พอไม่หายใจแล้วไม่ต้องมาขอยกให้เลยให้คิดถึงภาพที่ไม่น่าดูไม่น่ารักแล้วจะทาให้เราไม่อยากมีแฟนแล้วเราจะทำให้เราอยู่คนเดียวได้ จะไม่รู้สึกเหงาความเหงามันเกิดจากความอยากมีแฟนอยากมีคู่อยากมีเพื่อนถ้าเราหยุดความอยากมีแฟนอยากมีเพื่อนอยากมีคู่ได้ความเหงามันจะไม่มีใจมันจะสงบเย็นสบายมีความสุขเราจะอยากอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวดีกว่าอยู่สองคนอยู่สองคนเดี๋ยวก็ทะเลาะกันเดี๋ยวก็มีเรื่องกันเพราะ แต่ละคนมีความคิดเห็นไม่เหมือนกันคนหนึ่งอยากจะทำอย่างนี้อีกคนหนึ่งอยากจะทำอย่างนั้นเดี๋ยวก็ไปด้วยกันไม่ได้ น, ะ <c oughs> นี่คือความทุกขก์ที่เราจะได้จากการมีความอยากเ <c oughs> ช่นอยากมีแฟนเพราะเกิดความอยากปั๊บมันก็อยู่เฉยๆไม่ได้แล้วเหงาละ ว, ว้าเวถ้าโทรหาแฟนได้ก็ต้องโทรไปคุยนะ <c oughs> ถ้าไม่มีแฟนก็ต้องไปหาแฟนกันนะ ได้มาแล้วก็ต้องมาห่วงแฟนมาห่วงแฟนอีกแล้วเดี๋ยวเกิดแฟนเขาทิ้งเราไปก็เสียใจนี่คือความทุกข์ที่เรามองไม่เห็นกันเรามองแต่ความสุขว่าพอมีแฟนแล้วความเหงาจะหายไปอยู่กับแฟนแล้วมีความสุขมันก็มีแต่เรามองไม่เห็นเวลามันหมดไปเวลาความทุกข์มันมาแทนที่มันได้ไม่คุ้มเสีย ความทุกข์ที่เราได้กับความสุขที่เราได้จากการมีแฟนหรือมีอะไรนี่มันมันต่างกันฟ้ากับดินความสุขนี่นิดเดียวแต่ความทุกข์นี่โอ้โหมันถึงกับอยากจะฆ่าตัวตายนะนี่คือความทุกข์ต่างๆที่พวกเรากําลังหากันโดยคิดว่าเป็นความสุขนะเพราะเรามองไม่เห็นว่ามันไม่เทียมแท้แน่นอนมีใคร จะอยู่กับเราไปตลอดอเดี๋ยวสักวันหนึ่งก็ต้องจากกันรักกันขนาดไหนถึงเวลาก็ต้องจากกันแม้แต่ร่างกายของเรามันก็ต้องจากกันจากกับเราไปเราไม่ได้เป็นร่างกายเราไม่รู้เราคิดว่าเราเป็นร่างกายกันแต่ความจริงเราไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายนี้ก็เป็นเพียงคนรับใช้ที่คอยตอบสนองความอยากของเรา เราเป็นผู้รู้ผู้คิดผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆเรามาได้ร่างกายตอนที่พ่อแม่เขาผสมพัน์กันเราก็ได้ร่างกายเพราะเรายังมีความอยากใช้ร่างกายอยู่ร่างกายอันเก่าของเราตายไปชาติก่อนนี้เรามีร่างกายแล้วมันตายไปเราก็เลยต้องออกจากร่างกายไปผู้รู้ผู้คิดนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายผู้รู้ผู้คิดก็ออก จากร่างกายแล้วก็ไปรอไปรอคิวรอคิวที่จะได้ร่างกายอันใหม่พอได้ร่างกายอันใหม่ก็กลับมาใช้ร่างกายเหมือนอย่างที่เราเคยใช้ก็พามันมาหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันมาหาแฟนกันมาหาเงินทองกันมาหาตาแหน่งมาหาอะไรต่างๆเพราะเวลาได้มันมีความสุข แต่ลืมไปว่าได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องเสียไปเวลาเสียก็ทุกข์กันถ้าเราไม่ยอมการความทุกข์โคตจ้าบอกว่าหยุดความอยากดีกว่าหยุดความอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นนดนหยุดความอยากหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญหยุดความอยากจากการ อ, อ, อยากการจากการไม่ยอมเสีย เราได้อะไรมาเราต้องเสียมันอย่าไปอยากไม่เสียที่เราทุกข์กันที่เราเวลาที่เราเสียกันเราทุกข์เพราะเราไม่อยากเสียกันถ้าเราอยากเสียแล้วเราจะไม่ทุกข์เช่นเงินวนนี้โยมมาทําบุญโยมเสียเงินทุกข์ไหมไม่ทุกข์ใช่ไหมเพราะอยากเสียใช่ไหมนั่นเดี๋ยวมาหัดอยากเสียกันอแฟนก็ยกให้คนอื่นไปดู ถ้ายกให้เขาไปได้แนละ้วตอบไปแล้วจะไม่ทุกข์เขาจะไปอยู่กับใครเราก็ไม่ทุกข์แต่เราไม่ยอมยกให้เขาไปยอมไม่ให้เขาไปเวลาเขาไปเราจะทุกข์มากแล้วไม่ช้าก็เร็วเขาก็ต้องไปเราก็ต้องจากเขาไปเขาก็ต้องจากเราไปเพราะเราอยู่ในโลกที่ไม่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ถาวร ทุกอย่างที่เรามีอยู่นี้เป็นของชั่วคราวแฟนก็เป็นของชั่วคราวเงินทองก็เป็นของชั่วคราวร่างกายของเราก็เป็นของชั่วคราวถ้าเรามาหัดปล่อยได้หยุดความอยากที่จะให้เขาอยู่กับเราไปตลอดเป็นของเราไปตลอดได้เวลาเขาไปเราจะไม่เสียใจเหมือนตอนนี้เรารู้ว่าเงินทองไม่ไม่ไม่ถาวรเราก็เลยเอามาทำบุญกัน พอเราทำบุญแทนที่เราจะเสียใจเรากลับไม่เสียใจพอเรายินดีที่จะเสียดังพยายมหัดฝึกใจให้ยินดีกับการสูญเสียด้วยการคิดอยู่เรื่อยว่าทุกอย่างไม่ใช่เป็นของเราทุกอย่างจะต้องจากออกไปเรามาอยู่กับความสงบดีกว่ามาปฏิบัติธรรมทำใจให้สงบแล้วเราจะมีความสุขที่จะทำให้เราเสียสิ่งต่างๆไปได้อย่างไม่เดือดร้อน ตอนนี้เราเสียไม่ได้เพราะพอเสียแล้วเราไม่มีความสุขกันเราต้องมาเปลี่ยนวิธีหาความสุขกันอย่าหาความสุขจากเงินทองข้าวของบุคคลต่างๆให้หัดมาหาความสุขจากการทาใจให้สงบ ก, กันมานั่งสมาธิกันใช้สติหยุดความคิดกันวิธีจะทำให้มีสติกับพุโทโธนี่ให้ระลึลกถึงพุโทโธพุโทโธไป เวลาเราถึงพุทโธนี่มันจะไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้คนนั้นคนนี้ไม่ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ได้พอมันไม่เลอกแล้วใจมันก็ไม่หิวไม่อยากมันก็จะอิ่มมันก็จะพออยู่เฉยๆอยู่ตามลำพังได้ไม่รู้สึกเหงาไม่รู้สึกว่าเวไม่รู้สึกเดือดร้อนตอนนี้เราไม่มีพุทโธกันไม่มีสติกันปล่อยให้ใจคิดกัน พอคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมาแล้ววิธีดับอารมณ์เหล่านั้นแทนที่จะหยุดอารมณ์หยุดความคิดกลับไปทำตามความอยากอยากกินก็ไปกินกันไปกินแล้วก็ไปสร้างปัญหาใหม่ขึ้นมาเพราะว่ามันจะเสียเงินเสียทองแล้วก็จะทำให้ร่างกายนี้เจ็บไข้ได้ป่วยถ้ากิดเกินความต้องการของร่างกายไป ยังอย่าปล่อยให้ใจเราคิดด้วยเปื่อยมันจะคิดไปทางมันจะคิดไปในการสร้างความอยากต่างๆขึ้นมาจุดคิดมันหรือถ้ามันจะคิดให้มันคิดไปในทางทางที่ดีเช่นอยากทำบุญเนะี่ยให้มันให้มันคิดอยากทำบุญอยากไปวัดอยากไปนั่งสมาธิอยากรักษาศีลอยากปฏิบัติอยากปล่อยวางอยากยกสมบัติเข้าของเงินทอง ยกแฟนให้คนอื่นไปความคิดตอนนี้ดีถ้ายกให้เขาไปได้แล้วสบายไม่ต้องมาทุกข์ไม่ต้องมากังวลกับเขาจะยกของต่างๆให้คนอื่นไปได้เราต้องมีความสุขในใจเราก่อนเราตึงต้องมาหัดนั่งสมาธิกันทำใจให้สงบกันเพราะถ้าใจของเราสงบแล้วจะมีความสุขมากจะมีความสุขมากกว่ามีแฟนสิบคนนี่อย่าว่าแต่แฟนคนเดียวเลย ต่อให้มีแฟนสิบคนก็ยังสู้ความสุขที่ได้จากความสงบไม่ได้พอได้ความสงบแล้วมีแฟนกี่คนก็ยกให้คนอื่นไปได้หมดเลยมีเงินกี่ร้อยล้านก็ยกให้คนอื่นไปได้หมดดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้ามีสมบัติมากมายกายกองเป็นราชโอรสมีปราสาทสามฤดูแต่พระพุทธเจ้าเคยสัมผัสกับความสงบความสุขที่ได้จากความสงบ พระพุทธเจ้าบอกความสุขแบบนี้ดีกว่าเพราะเป็นความสุขที่มันไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องใช้อะไรมาให้ความสุขถ้ายัางต้องใช้อะไรมาให้ความสุขก็จะต้องเจอความทุกข์เพราะต่อไปมันก็จะต้องจากเราไปหรือถ้าใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขให้ต่อไปร่างกายก็จะแก่จะเจ็บจะตายมันก็ไม่สามารถทำหน้าที่หาความสุขให้กับเราได้ แต่ถ้าเรามีสตินี้เราไม่ต้องใช้อะไรแม้แม้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ยังใช้สติหยุดความคิดได้ทำใจให้สงบทำใจ ใ, ให้มีความสุขได้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยนอนอยู่บนเตียงก็ยังหยุดทำใจให้สงบทำใจให้มีความสุขได้แล้วเราจะไม่ไม่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนกับไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยเพราะใจมันสุขอยู่ สุขเหมือนกับตอนที่ไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยตอนเจ็บไข้ได้ป่วยก็ยังสุขเหมือนเดิมอยู่เพราะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับร่างกายมันขึ้นอยู่กับสติถ้าเรามีสติหยุดความคิดหยุดอารมณ์หยุดความอยากได้ใจก็จะสงบแล้วก็จะมีความสุขแล้วถ้าเราอยากจะให้มันหยุดอย่างท้าววรเราก็ต้องใช้ปัญญาปัญญาก็อย่างที่เล่าให้ฟังเนี่ยอยากได้อะไรก็มองว่ามันไม่เที่ยง มันเป็นความสุขเดียวเดียวได้มาแล้วเดี๋ยวเวลาหมดไปก็เสียใจไม่ว่าอะไรได้มาแล้วไม่ช้าก็เร็วก็ต้องจากกันร่างกายนี้ได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องจากกันเวลาจากกันก็ร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจกันอย่านอย่าไปอย่าไปอยากมีอะไรอย่าไปอยากมีร่างกายการมีร่างกายเพราะเรายังอยากใช้ร่างกาย หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่นั่นเองถ้าเราเล ata, ิกหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราก็ไม่ต้องมีร่างกายพอร่างกายนี้ตายไปแล้วเราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ไม่ต้องมามีร่างกายใหม่เพราะเรามีความสุขอยู่กับตัวเราเองแล้วไม่ต้องมาหาความสุขผ่านทางร่างกายเราไม่ได้หายไปไหนการที่เราไม่ได้มาเกิดนี่เราก็ยังอยู่เหมือนเดิมอยู่ที่เดิมแต่ดีกว่าเดิม ดีเพราะว่าไม่มีความอยากไม่มีความหิวไม่มีความทุกข์ไม่มีความเหงาไม่มีความว้าเหวไม่มีความวุ่นวายใจไม่มีความเดือดเนื้อร้อนใจไม่มีความกังวลไม่มีอะไรต่างๆทั้งหลายใจเราไม่ได้หายไปไหนเวลาที่เราไม่ได้มาเกิดใจเราก็อยู่ที่เดิมอยู่ในโลกทิพย์ใจเราไม่ได้อยู่ในร่างกายไม่ได้อยู่ในโลกนี้อยู่อีกโลก ร่างกายกระจายนี้เชื่อมต่อด้วยกระแสจิตจิตส่งกระแสมามาพ่วงติดกับร่างกายใช้ร่างกายนี้ส่งข้อมูลต่างๆไปให้ใจส่งภาพไปส่งเสียงไปใจนี้เป็นคนรู้ดูภาพดูเสียงร่างกายนี้เป็นผู้ไปรับภาพมาให้อยากจะดูละครก็เปิดทีวีแล้วก็ตาก็จ้องดูแล้วภาพมันก็เข้าไปที่ตา จากที่ตามันก็ส่งไปที่จิตอีกต่อนึงส่งไปที่ใจอีกต่อนึงใจกับร่างกายเป็นคนละคนกันถ้าใจมีความสุขไม่ต้องใช้รูปเสียงกลิ่นแล้วก็ไม่ต้องใช้ตาหูจมูกลิ้นกายตอนนี้เราถึงที่เราไม่มีกันก็คือความสงบไม่มีความสุขทางใจกันใจเราหิวโหยเพราะความอยาก พอเราปล่อยให้มันคิดพอคิดแล้วมันก็คิดไปในทางความอยากกันถ้าเราหยุดคิดความอยากมันก็จะหายไปแล้วใจเราก็จะอิ่มเราต่อไปก็สอนให้มันคิดไปในทางไม่อยากคิดว่าของต่างๆที่เราอยากได้ได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องหมดไปไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงเวลาเสียไปก็ร้องห่มร้องไห้กันแต่ถ้า ย, ยินดีจะเสียก็จะไม่ร้องห่มร้องไห้ พระพุธเจ้าเวลาสะละเล่าสะสมบัติท่านไม่ร้องห่มร้องไห้ท่านไปอย่างสบายท่าไปนิสระไม่ต้องมาพึ่งสมบัติข้าวของเงินทองไม่ต้องพึ่งภรรยาให้ความสุขไปหาความสุขจากการทำใจให้สงบดีกว่าแล้วก็ไม่ต้องพึ่งร่างกายเราไปร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็ไม่สามารถที่จะทำให้ใจทุกข์ได้ถ้าใจมีความสุขในตัวของเ นี่คือการมาศึกษาการต้องกานต้นต้องเรียนรู้ว่าอะไรเป็นสุขอะไรเป็นทุกข์กันเนะี่ยมารู้แล้วก็นำเอาไปใช้เอาไปปฏิบัติอันนี้รู้แล้วว่าราบยศจรนละเสรินรูปเสียงกกินลดนี้เป็นทุกข์อย่าไปหามันคือสิ่งที่เป็นสุขก็คือความสงบของใจที่เกิดจากการมีสติเราก็มาสร้างสติกันตอนนี้เราไม่มีสติกัน เราหยุดความคิดหยุดความอยากกันไม่ได้เรามาหัดพุทโธกันลองหัดท่องพุทโธไปทั้งวันดูเลยแล้วพุทโธเนี่ยจะหยุดความคิดหยุดความอยากได้หมื่ตาขึ้นมาก็พุทโธพุทโธไปกำลังทำอะไรก็พุทโธไปถ้าไม่ต้องใช้ความคิดอย่าไปคิดใช้พุทโธแทนคิดคิดพุทโธแทนแล้วต่อไปเวลาใจคิดไปอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เราก็ใช้พุทโธ อาพุโทโธไปสักแป๊บหนึ่งความอยากก็มันก็หายไปใจก็สงบมีความสุขถ้าอยากให้สุขเต็มที่ก็นั่งเฉยเฉยนั่งหลับตาถ้ายังทำอะไรอยู่มันยังยังสงบไม่เต็มที่สงบประมาณ 50% ถ้าอยากจะให้มันสงบเต็มร้อยก็นั่งเฉยเฉยนั่งหลับตาแล้วก็พุโทโธต่อไปเดี๋ยวใจมึงก็จะตกหลุมตกบ่อเข้าไปสู่ถ้ของความสงบ เข้าไปสู่เหวของความสงบพอตกหลุมตกบอ่อวุบลงไปนีมันก็จะนิ่งสงบสบายพุโทโธก็ไม่ต้องพุโทโธตอนนั้นเหมือนกับขึ้นสวรรค์ทั้งเป็นสวรรค์ชั้นสูงสุดเลยสวรรค์ชั้นนิพพานอันนี้พอเราได้สัมผัสกับความสุขแบบนี้แล้วเราก็จะร้องอ๋ อ, อเข้าใจว่าทำไมพระพุทธเจ้าถึงสาระราชสมบัติได้ทาไมพระพุทธเจ้าจึงไปอยู่ในป่าได้ ทำไมจึงไปอยู่แบบขอทานได้เพราะว่าความสุขอันนี้มันเหนือกว่าอะไรทั้งหมดอยู่แบบอดอยากขาดแคลนก็ไม่เดือดร้อนถ้าใจมีความสุขอยู่แบบขอทานใจก็ไม่เดือดร้อนถ้าใจเดือดร้อนอยู่แบบเค อ, อยู่แบบเศรษฐีก็ยังเดือดร้อนอยู่นะส่วนญายอยู่แบบเศรษฐีนี่มันเดือดร้อนกันเพราะวิตกกังวลกับข้าวของเงินทองต่างๆต้องคอยดูแลรักษา ต้องกังวลว่ามันจะหมดมันจะหายไปหรือเปล่ามีทรัพย์แต่ไม่มีความสุขทางใจสู้อย่างมีทรัพย์ดีกว่ามีความสงบดีกว่ามีความสงบแล้วไม่ต้องมีทรัพย์ไม่ต้องมีอะไรอยู่แบบขอทานได้อยู่แบบยาจกอยู่แบบพระเนจรไม่มีบ้านก็อยู่ได้พมุทธเจ้าไม่มีบ้านไม่มีวัด ท่านอยู่ตามโคนไม้อยู่ในป่าในเขาตอนหลังมีศรัทธาญาโยมเมตตาสร้างถวายให้ท่านอยู่แต่ท่านมีก็อยู่ไม่มีก็ไม่อยู่ไม่เดือดร้อนเพรใจท่านมีความสุขตลอดเวลาตอนนี้ใจของท่านก็ยังมีความสุขอยู่เพราะตอนนี้ท่านไม่ต้องมาเกิดเหมือนพวกเราไม่ต้องมามีร่างกายที่จะต้องคอยเลี้ยงดู แล้วก็ไม่มีความอยากที่จะมาคอยกดดันให้เราต้องไปหาสิ่งต่างๆเวลาหาสิ่งต่างๆมันง่ายไหมละ่ะกว่าจะได้อะไรมาทักอย่างนี้เหนื่อยไหมต้องวิตกกังวลไหมจิตใจนี่ต้องรุ้นแล้วรุ้นอกีกว่าอยากจะได้อะไรทักอย่างนี้ใจคอไม่สบายพอได้มาก็ดีใจเดี๋ยวเดียๆแล้วก็ต้องมาหวงมาห่วงกับของที่ได้ แล้วเวลาเสียของที่ได้ไปก็เสียใจนี่คือทางสู่ความทุกข์คือการไปทาตามความอยากต่างๆทางสู่ความสุขก็คือการหยุดความอยากด้วยการทำใจให้สงบด้วยการสอนใจให้เห็นว่าสิ่งต่างๆที่เราอยากได้นี่นมันเป็นของชั่วคราวมันไม่ได้ให้ความสุขกับเราอย่างถาวรเดี๋ยวทุกอย่างที่เรามีอยู่นี่ก็หมดเดี๋ยวเวลาตายไปเอาอะไรไปได้ปะ ไม่มีอะไรติดตัวไปนอกจากความอยากที่จะพายเราต้องไปเกิดใหม่สูมาหยุดความอยากดีกว่าทำใจให้อิ่มทำใจให้พอแล้วใจจะได้ไม่ต้องไปเกิดใหม่ใจจะได้อยู่กับพระพุทธเจ้าอยู่กับพวกที่ไม่มีความหิวไม่มีความอยากอยู่อย่างมีความสุขตลอดเวลาอยู่อย่างไม่มีความทุกข์ตลอดเวลานี่คือโรงเรียนของพระพุทธศาสนา ตอนนี้เป็นการเข้าห้องเรียนตอนนี้เรารู้แล้วขั้นที่ขั้นที่สองจากการเรียนก็ไปทำข้อสอบกันไปเข้าห้องสอบกันไปหยุดความอยากกันถ้าหยุดได้ก็สอบผ่านถ้ายังหยุดไม่ได้ก็สอบตกถ้าสอบตกก็ต้องพยายามสอบให้ผ่านก็ต้องทำการบ้านบ่อยๆต้องฝึกสติมากๆฝึกอยู่เรื่อยๆพุโทโธอยู่เรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันจะหยุดความอยากหยุดความคิดได้ แล้วก็สอนว่ามันคิดว่าทุกอย่างไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราสักวันหนึ่งจะต้องจากเราไปมันจะได้ไม่อยากได้อะไรแล้วต่อไปมันจะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปนี่คือเรื่องของวันพระวันพระเป็นวันที่พระพุทธเจ้าสอนญาติโยมเข้าโรงเรียนกันวันธรรมดาก็ไปทรมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องวันพระก็มาเรียนหนังสือกันมาเรียนธรรมะกัน ฟังเทศฟังธรรมสมัยก่อนนี้เขาต้องฟังเทศอย่างเดียวเพราะไม่มีหนังสือไม่มีเครื่องอะไรต่างๆแต่สมัยนี้เรามีหนังสือไม่ฟังเทศก็อ่านหนังสือได้ไม่ต้องมาวัดก็ได้เดี๋ยวนี้อยู่ที่บ้านก็ฟังเทศได้อ่านหนังสือธรรมะได้ศึกษาธรรมะได้สมัยก่อนนี้ต้องมาวัดต้องรอให้พระเทศแต่สมัยนี้เดี๋ยวนี้มีเทศแล้วมีอัดไว้ในแผ่นซีดี มีบันทึกไว้ในหนังสือมีออกถ่ายทอดสดทาง Facebook YouTube ตอนนี้ก็ถ่ายทอดสดอยู่ถ้าไม่ได้มาก็เปิดดูได้ทางบ้านเข้าไปในหน้าเ o k ของพระอาจารย์สุชาติพอสองโมงมันก็จะโผล่ขึ้นมาถ่ายทอดสดหรือ u t u b e ก็ได้พระสุชาติไลฟ์ดูได้ตลอดเวลาหลังจากนั้นเขายังเก็บไว้เก็บไว้ให้ดูย้อนหลังได้ สมัยนี้เราไม่ต้องรอวันพระแล้วถ้าเราอยากจะศึกษาอยากจะบรรลุเร็วๆอยากจะสำเร็จเร็วๆก็ศึกษาทุกวันเลยฟังเทศทุกวันจะได้ไม่ลืมฟังบ่อยๆแล้วเราจะได้ไม่ลืมเราจะได้รู้วิธีกาจัดความอยากต่างๆเราจะได้รู้จักวิธีกาจัดความทุกข์ต่างๆรู้วิธีที่จะสร้างความสุขต่างๆให้กับเราก็คิดว่า พอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมท น, นาให้พอ่อนไม่มีเวลาจะถามไหมถม่ไงคือดูทำต้องต้องต้องดูกันว่าดูทำไมเหมันเราดูทีวีเราดูทำไม ดูจิตมันต้องมีเหตุผลว่าดูทำไมก่อนถึงจะบอกได้ว่าดูถูกหรือไม่ถูกควรไม่ควรถ้านวนนค่ะี่ระที่ท่าทททท่าทให้จิตอวนั่นเองหนูก็ทั้งถานท่านว่าท่านสอนเพื่อให้ดูดูเพื่ออะไรใช่มมันต้องมีเหตุมีผลคือการดูจิตส่วนใหญ่นี่มันเป็น เป็นทำขั้นขั้นสูงถ้าเรายังดูดูกายเราไม่ได้เราเป็นดูจิตมันจะยากกว่าเยอะส่วนน า, า, าอย่างมันจะมีบางช่วงนะคะที่เราจะมีการเพ่งเข้าคนอื่นแล้วเาขาก็จะบอกว่าให ให้หดรกอยู่ที่มิหารสุล่อแล้ ว, ลวไมให้ปรงแต่งอทำเปล่าบางครั้งก็ได้นะคะหนสทำไมถึงไม่ได้ทำไมถึงได้เนีเ่ยเขาบอกว่าไม่แต่งนั่นสิมพูดง่ายไม่ปุงแต่งแล้วหยุดมันได้ล อเนี่ยเตือขึ้นมามันก็โปุงแล้วเลยเลื่ตาขึ้นมาก็โปง่งแต่ว้หนูคิดว่าถ้าถ้าเราคิดต่อแล้วห่างพ่อทำจากสิ่งนี้ได้ไหมก็ก็หนูทําไปสิแล้วมาถามเราทําไมล่ะเพราะว่าเราคิดว่าเป็นทางที่ไม่ถูกอ่ะเพราะคุณไม่มีกําลังที่จะไปดูจิตไปควบคุมจิตได้เข้าใจไหมคุณไม่มีเครื่องมือคุณจะไปจับปลานี่คนไม่มีเบ็ดไม่มีอะไรคุณไปจับหนูตาแด้ป่ะ นี่ก็เป็นเหมือนปลาเหมือนลิงอ่ะคุณจะไปจับลิงมือเปล่าได้ไมจับจับมาให้มันนั่งเฉยๆได้เปล่าในการดูจิตการปฏิบัติธรรมนี้เพื่อให้จิตมันสงบเข้าใจไหมให้มันไ ม, ไม่ให้มันคิดปรุงแต่งไม่ให้มันสร้างความโลภความโกรธความหนงขึ้นมาแา่ตอนนี้มันสร้างอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมแล้วคุณมีเครื่องมือจะหยุดมันหรือปล่าถ้าก็ไม่มีเครื่องมือคุณจะไปหยุดมันได้ยังไง ก่อนที่จะดูจิตจับจิตหยุดจิตนันต้องมีเครื่องมือก่อนเครื่องมือก็คือสติกับปัญญาไม่มีแล้วจะไปจับอะไรมันได้ไปจับดิงเนี่ยคุณไม่มีเครื่องมือไม่มีเชือกไปไปคล้องคอมันไปจับมันได้หรืจิตมันถ้าไม่มีสติมันจะไปหยุดมันได้ตรงไหนเห็นไหมั่นก่อนจะไปจับจิตเนี่ยมันต้องมีเครื่องสร้างเครื่องมือก่อน เครื่องมือที่จะมาจับจิตก็คือศีลสมาธิปัญญานี่แหละทานศีลภาวนานี่คือเครื่องมือสร้างพวกนี้ขึ้นมาก่อนเราทําบุญทําทานได้ไหมเรายังเสียดายเงินยังอยากจะเอาเงินไปใช้ตามความอยากต่างๆหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นการทํางานของจิตละจิตมันอยากจะซื้อเอาเงินไปเที่ยวนี่มันก็เป็นเป็นการเป็นเป็นการทํางานของจิตอะ ถ้าอยากจะหยุดไม่ให้จิตมันทำงานทั้งนี้ก็อย่าอย่าให้เงินมันไปจิมันอยากจะขอเงินไปเที่ยวไม่ให้เอาเงินไปทำบุญแทนมันก็จะหยุดได้หยดหยดความอยากไปเที่ยวได้อาจารย์นะศีลก็เหมือนกันมันอยากจะไปโกหกอยากจะไปลักทรัพย์ของคนอื่นอยากจะไปทำอะไรเกิดความเสียหายแล้วก็บอกอย่าทำนี่ก็เป็นการหยุดจิตเป็นเครื่องมือที่เราจะหยุดจิตกันห ย, หยุดการคิดที่ไม่ดี คิดทำบาปคิดไปหาความสุขด้วยการใช้เงินทองนี่และถ้ า, ถ, าถ้าต้องเอาเอาเงินทองมาใช้หาความสุขมันก็ต้องหาหาเงินทองอยู่เรื่อยแล้วมันจะมีเวลามาสร้างสติสร้างปัญญาได้ไหนมันก็ต้องหยุดหยุดการใช้เงินทองไปซื้อความสุขต่างๆเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปหาเงินทองเป็น <c oughs> ไปบวชนี่เราก็ไม่ เราจะได้ไปบวชได้ถ้าเราไม่ต้องทำงานหาเงินหาทองไปบวชไปหาไปกินข้าววัดไปไปทำงานในวัดแลกเปลี่ยนกับข้าวาข้าวค้าอาหารเราจะได้มีเวลามาสร้างเครื่องมือชิ้นต่อไปก็คือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยสติเนี่ยมันต้องมีเครื่องมือเหล่านี้มันถึงจะสามารถหยุดจิตได้ หยุดกิเลส ท, ที่ใช้เป็นตัวผลักดันให้จิตคิดไปในทางที่ไม่ดีต่างๆได้ยิ่งถ้าไม่มีเครื่องมือเหล่านี้คุณไปดูก็เหมือนมันก็ไม่ประโยชน์หรมันไปดูลิงอ่ไปดูลิงแต่จับมันไม่ได้มันก็มันก็หลอกเล่นเราอยู่นะกระโดดไปกระโดดมาบางทีเวลานั่งสมาธิค่ะบางคนเขาบอกว่านั่ง นั่งไม่ได้อะไรได้มมมไเลยครัความสงบไม่เกิดปัญญาความความสงบที่มันก็ดีแสนดีกว่าปัญญาอยู่แล้วปัญญาก็มีไว้เพื่อรักษาความสงบปัญญาเป็นเครื่องมือก็<ม>จะนะผลของการปฏิบัติทั้งหมดนี้เราต้องการความสงบเพียงอย่างเดียวเนี่ยนะนิพพานนี้ก็คือความสงบคุณจะเอาอะไรคุณยังไม่รู้เลยคนพูดก็ไม่รู้เรื่องเข้าใจไหมสมาธิเป็นเครื่องมือผลก็คือความสงบ ปัญญาก็เป็นเครื่องมือผลของปัญญาก็คือความสงบเพิยงแต่ว่าสมาธินี่เป็นความสงบชั่วคราวถ้ามีปัญญามันจะสงบอย่างถาวรเราไม่ต้องการศีลสมาธิปัญญาเราต้องการความสงบเข้าใจไหมแต่เราต้องใช้เครื่องมือต้องมีศีลมีสมาธิมีปัญญาถึงจะทําให้มันสงบได้เข้าใจยังแล้วก่อนจะใช้ปัญญาได้จิตต้องสงบก่อน ถ้าจิตไม่สงบจิตไม่มีกําลังที่จะใช้ปัญญามาสู้มาทําใจให้สงบอย่างท้าววรได้เพราะถ้ า, ถาจิตไม่สงบกิเลสมันจะมีกําลังมันจะหิวจะโหยมันจะให้เราไปหาทําตามความอยากต่างๆมีปัญญาก็หยุดมันไม่ได้ปัญญาบอกความอยากเป็นทุกข์ก็ไม่มีกําลังหยุดมันได้คนที่ไม่ฝึกสมาธิก็จะเลิกเล่าเลิกบุหรี่นี่เลิกไม่ได้ แต่ถ้ามีสมาธิปั๊บนี้เลิกได้เลยถ้ารู้ว่าทาแล้วมันเป็นโทษเป็นพิษเป็นภัยตอนนี้เราเลิกช้อปปิ้งได้เลิกดูหนังฟังเพลงไดง้เลิกไปเที่ยวสถานที่ต่างๆได้ตอนนี้ปัญญาอยากจะมีปัญญาก็มาใช้สิปัญญาก็คือบอกของพวกนี้มันเป็นทุกข์มันไม่ใช่เป็นสุขไปบวชเนี่ยถ้ามีปัญญาเขาไปบวชกันหมดแล้วไม่ใช่ไหม คนที่มีปัญญาเขาไม่อยู่เขาไม่หาหารูปเสียงกลิ่นรสเขาไม่หาความสุขทางตาหูจมูกนิ้กางเพราะเขารู้ว่ามันเป็นทุกข์ปัญญาคือเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่เหรออะไรเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ารูปเสียงกลิ่นรสที่พวกเราหากันอยู่ทุกวั น, นที่พวกเราคิดว่าเป็นความสุขกันแล้วเราหยุดมันได้ไหมไม่ได้เพราะใจไม่มีกาลังใจไม่มีความสุขในตัวเอง ต้องมาทำสมาธิก่อนให้ใจสงบมีความสุข ก, ก่อนพอใจมีความสุขในตัวเองแล้วก็อะไรก็ทิ้งได้ถ้ายังไม่มีความสุขในตัวเองก็อะไรก็ต้องตกอไว้ก่อนขั้นพระเจ้าท่านถึงสอนให้เป็นขั้นขั้นเนยทำทานหยุดใช้เงินใช้ทองหาความสุข ก, กันจะได้ไม่ต้องไปทำงานหาเงินทองจะได้ไปบวชกันได้ไปบวชจะได้รักษาศีลได้ ถ้าเราไม่หาเงินหาทองนั้นการรักษาศีลมันง่ายใช่ไหมที่รักษาศีง่าไม่ได้เพราะต้องหาเงินง่า ย, ายๆเร็วๆมากๆ ม, มันต้องโกกันบ้างต้องโกหกกันบ้างหลอกลวงกันบ้างแต่ถ้าเราไม่ต้องการเงินทองเราก็ไม่ต้องโกหกใครไม่ต้องไปโกงใครเห็นไหมทานแล้วก็ศีลศีลแล้วเราก็จะพอจิตใจเราไม่วุ่นวายกับการทําบาป เราก็นั่งสมาธิเจริญสติได้ง่ายพุโทโธพุโทโธไปได้ทั้งวันถ้าเราไปทำบาปมาหรือกังวลเรื่องนั้นกลัวเรื่องนี้ก็จะพุโทโธไม่ออกต่างหัดพุดโทโธพุโทโธไปถ้าเรามีพุโทโธแล้วนั่งสมาธิจิตก็จะสงบพอสงบแล้วก็จะมีความสุขความสงบความสงบนี่แหละเป็นสิ่งที่เราต้องการกัน การปฏิบัติทำทั้งหมดนี้ต้องการความสงบเท่านั้นเป็นจุดหมายปลายทางพระนิพพานก็คือความสงบนะแต่พระนิพพานนี้เป็นความสงบที่ถาวรความสงบที่ได้จากสมาธิเป็นชั่วคราวสงบตอนที่เรานั่งสมาธิพอจากสมาธิมาปั๊บพอกิเลสออกมาความอยากออกมาความสงบก็หายไปถ้าเราอยากจะให้ความสงบอยู่ต่อไปก็ต้องใช้ปัญญาปัญญาจะบอกว่าอย่าไปทำตามความอยาก เพราะสิ่งที่เราอยากได้มันเป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันไม่มันไม่ถาวรมันเป็นของชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดไปแล้วขณะที่ไม่หมดก็กังวลกลัวมันจะหมดงั้นอย่าไปหาอะไรในโลกนี้เพราะมันไม่ได้เป็นความสุขมันเป็นความทุกข์มันจะทําให้ใจเราทุกข์นี่คือปัญญาเข้าใจไหมถ้ามีปัญญามันก็จะไม่หาอะไรอย่างถาวร ไม่แต่ร่างกายมันก็ไม่เอาเพราะมันไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือมันเอาความสงบจากสมาธิจากการใช้ปัญญารักษาความสงบที่ได้จากสมาธิปพอแล้วมีเท่านี้ก็พอเนี่ยถึงอยากจะเล่าให้ฟังเพ่าส่วนใหญ่คนมาพูดทีไรก็บอกจะดูจิตทุกทีเอาอะไรไปดูล่ะมีสติมีปัญญาดูมนุษย์ปะ ไม่มีสติไ ม, ม่ไม่มีปัญญาไปดูมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเหมือนกับไปจับปลาไม่มีมือไม่มีไม่มีเบ็ดไม่มีแหไปจับอะไรไปดำน้ำําว่าไล่จับ ม, มันดูจิตมันไวไ ม, มันไวกว่าเราต้องหลายเท่าปุ๊บมันไปมันคิดถึงนู่นถึงนี่ไปแล้วใช่ไหมเออแป๊หนึ่งไปนู่นมานี่แล้วเนี่ยเราต้องมีเครื่องมือเครื่องมือก็คือต้องสร้างมันขึ้นมาเป็นขั้นขั้น ถ้าเรายังวุ่นวายกับการหาเงินหาทองก็ต้องหยุดเนี่ยหรือทำให้มันน้อยลงไปแล้วจะได้มีเวลามาฝึกสติมารักษาศีลในวันที่เราไม่ต้องไปทำงานก็ได้อาจจะไม่ต้องเลิกทำงานแบบทันทีทันใดลดมันสักครึ่งหนึ่งเลยทำอาทิตย์ละห้าวันเอาแค่สามวันเปลี่ยนอาชีพขายตรงก็ได้ขายประกันก็ได้อาชีพที่ไม่ต้องไปทางานทุกวัน เราจะได้มีเวลาวันอื่นมารักษาศีลมาปฏิบัติจเจริญสติสมาธิกันจเจริญปัญญากันถ้าเรามีสติมีทำใจให้สงบแล้วเราจะมีกําลังใจมีความสุขเราก็จะเลิกทํางานได้เลยเราจะได้มามีเวลามาทําสติให้มากขึ้นทําความสงบให้มากขึ้นมาสร้างสมาธิสร้างปัญญาให้มากขึ้นแ้วเดี๋ยวเราก็จะสามารถที่จะ กำจัดตัวที่มาทำให้ใจเราวุ่นวายให้หมดไปถ้าไม่มีตัวที่ทำให้วุ่นวายใจใจมันก็จะสงบไปตลอดมันก็เป็นนิพพานไปนะจ๊ะนิพพานก็คือความสงบที่ถาวรก็มีเท่านี้แหละเดียวถ้าหนูดูจิตตอนนี้ได้แล้วทาให้มันสงบได้ก็สาธุเลยดูไปเลยมันโลภก็หยุดมันได้มันโกรธก็หยุดมันได้มันอยากไปเที่ยวก็หยุดมันได้มันอยากมีแฟนก็หยุดมันได้มันอยากอะไร ตัดมันได้หมดแล้วอยู่เฉยๆย่างมีความสุขได้หนูก็ถึงที่แล้วแหละเนี่ยนี่คือเป้าหมายของการดูจิตดูจิตให้มันสงบตลอดเวลาถ้ามันโลภ ก, ก็ต้องตัดมันให้ได้หยุดมันให้ได้มันโกรธก็ต้องหยุดมันให้ได้มันอยากอะไรก็ต้องหยุดมันให้ได้พอจะเข้าใจยัง มีใครอยากจะถามอะไรมั้ยไม่มีเดี๋ยวจะลองทาง YouTube กับ Facebook ดูตอนนี้ใครเข้ามาบ้างครับท่งนี่จารัางไม่ม า, า, าไม่เข้ามาครับตอนนี้ YouTube มี28คนจาก40คนนะฮะอ่า Facebook ตอนนี้310คน280อ่า YouTube มีคําถามมั้ตอนนี้ไม่มีคําถามกับพี่เป็นคําถามจาก Facebook นะครเเลยคําถามจาก Facebook Live จากคุณคัชพรเคยเข้าสมาธิได้แล้วเข้าไม่ได้พระอาจารย์ให้ฝึกสติท่องพุทโธไปทั้งวันแล้วหนูก็ถามว่าฝึกท่องอย่างเดียวยังไม่ต้องนั่งสมาธิได้ไหมพระอาจารย์บอกสติไม่มั่นคงนั่งไปก็คงไม่สงบหนูก็เลยลองท่องพุทโธเยอะๆหนูตั้งใจท่องตั้งราก ฐ, ฐานตรงนี้สําคัญจริงๆ พีเรสมันคอยลากออกมาปลุงว่าถ้าสติมั่นคงเข้าสมาธิได้จะโม้ให้พระอาจารย์ฟังสู้กับพิเรสสู้กับพีเรสของตนสติของลูกหนักหนาแน่นขึ้นแต่จิตยังสงบไม่เต็มที่และหนูชอบเดินจงกรมเอามือไผ่หลังเป็นสาเหตุทําให้ปวดหลังใช่ไหมคะอ๋อไม่หรอกมือไผ่หลังมันจะไม่ปวดยังไงเหมือนมันไม่เกี่ยวกันหรอกมือกับหลังเป็นคนละเรื่องกันนะ หลังมันอาจจะเกิดเพราะว่าเราณเวลาเรานั่งเรานั่งนั่งแล้วตัวมันงอหลังงออยนีหลังมันไม่ตรงกระดูกมันก็คดได้เส้นสายมันก็คดได้มันก็ทำให้ปวดเมื่อยได้ก็ต้องไปถามหมอดีกว่าเราไม่ใช่เป็นหมอทางกระดูกทางทางร่างกายแต่มไม่เกี่ยวกับการเดินเอามื อ, อ, อควายหลังหรอกแต่การเดินจงกรมท่าสวยงามให้มันสารวมท่านนิยมให้เดิน เอามือไขว้ไว้ข้างหน้าอะควะมันดูแล้วมันเรียบร้อยมันสำรวมถ้าเดินแบบเอามือไขว้หลังนี่นมันเหมือนเดินแบบนายห้ามเดินแบบเดินแบบเจ้านายเรานักปฏิบัติธรรมเราต้องเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตนเรากําลังคารวะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่การปฏิบัตินี่เรียกว่าเป็นการบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราไม่ควรเดินแบบเป็นผู้เป็นคนใหญ่คนโตคนจะเดินแบบคน เล็กคนน้อยคนเล็กคนน้อยมักจะเอามือควายไว้ข้างหน้าดะงนั้นเวลาเดินจงกรงควรที่จะเอามือไว้ข้างหน้าขวาทับซ้ายก็แล้วก็มีสติอยู่กับการเดินก็ได้หรือมีสติอยู่กับพุโทโธก็ได้<ม>เพื่อป้องกันไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆถ้าใจไม่คิดแล้วเวลานั่งสมาธิมันจะสงบได้ง่ายได้เร็วที่ไม่สงบกันก็เพราะว่ามันยังคิดอยู่ มันยังไม่อยู่กับพุโทโธนึกเวลานั่งไม่อยู่กับลมเนี่ยมันก็จะคิดพอคิดมันก็จะไม่สงบคำถามจากคุณแมวปกติโยมเป็นคนทาบุญทำทานถือศีลและปฏิบัติอยู่เป็นประจำถ้าเรากําลังจะตายเราควรกาหนดสติหรือวางอารมณ์อย่างไรเพราะเคยอ่านหนังสือเขาบอกว่าให้นึกถึงบุญที่เคยทำมา และโยมก็ลองคิดว่ากำลังจะตายและพยายามนึกถึงบุญที่ได้ทำมาก็นึกไม่ค่อยออกค่ะก็อย่าไปฟังเขาสิเอาสตินี่แหละคอยควบคุมใจให้สงบหรือใช้ปัญญาปล่อยวางร่างกายร่างกายมันจะจากเราแล้วก็พิจารณาว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเราที่ว่าทำบุญบ่อยจากร่างกายไปเหมือนกับเราเสียเงินเนี่ยเวลาเราตั้งใจเสียเงินเราจะไม่ทุกข์ ถ้าเราตั้งใจจะเสียร่างกายเราจะไม่ทุกเวลาร่างกายตายคิดว่าถึงเวลาจะต้องยกให้สัตปวป์เปรอแล้วอ่ะเดี๋ยวทาใจยกให้เหมือนไปถ้าเราทําใจยกร่างกายไปได้เพราะมันไม่ใช่ของเรามันเป็นของเราชั่วคราวมันไม่เที่ยงมันเกิดแล้วก็ต้องแก่เจ็บตายถ้าใช้ปัญญาแบบนี้ใจก็จะสงบใจก็จะบรรลุเป็นโสดาบันไปเลย หรือว่าไม่ถ้ายัางใช้ปัญญาไม่เป็นก็พุโทโธไปอย่าปล่อยให้ใจไปคิดไปอยากไม่ให้ตายถ้าอยากไม่ตายแล้วมันจะทรมานมันจะกลัวมากถ้าเป็นกลัวมากๆก็กใช้พุโทโธหยุดมันก่อนพุโทโธพุทโธไปถ้ายังปรองไม่ได้ยังปล่อยไม่ได้ก็ใช้พุโทโธไปก่อนถ้าใช้ปัญญาปล่อยได้ก็ใช้ปัญญาไปเลยแล้วมันจะบรรลุธรรมถ้าใช้สมาธิมันก็จะได้แค่ชั้นพรมเป็นสมาธิเป็น เป็นยังยังไม่หลุดพ้นจากเวียนว่ายตายเกิดถ้าใช้ปัญญามันก็จะหลุดขั้นโสโดาไปเลยขั้นแรกมันก็จะเหลือภพชาติไม่เกินเจ็ดชาติแต่ถ้าใช้สมาธิใช้สติมันก็ยังต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไปไม่มีวันสิ้นสุดอยู่คำถามสักคุณอดิเรก ข, ข้อที่หนึ่งในกรณีที่เราพบบุคคลที่มีใจแอคติทุกๆอย่าง ซึ่งเป็นคนใกล้ตัวเราเราจะมีวิธีรับมือกับบุคคลเหล่านี้อย่างไรก็คิดดูเหมือนกับเป็นเศษขยะเวลาเราเจอเสษขยะแล้วทำไงเราก็เดินหนีนะเลยใช่ไหมเดินผ่านกองขยะเราจะเข้าไปคุยไปเถียไปเล่นกับมันหรือเปล่าเราก็เดินหนปีปล่อยให้ขยะอยู่ไปตามเรื่องของมันนะข้อที่สองถ้าคุณแม่ของผมมีความเชื่อเรื่องดวงอย่างมากโดยขาดปัญญา เช่นปีนี้เป็นปีชงต้องระวังตัวต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างตามที่มีคนแนะนำเราจะช่วยท่านอย่างไรได้บ้างถ้าเขามีความระมัดระวังก็ดีอยู่แล้วเนี่ยก็เป็นสติแต่เป็นเพียงแต่ว่าถ้าเกิดปีไหนไม่ปีชงเขาก็จะไม่ระวังเท่านั้นองก็จริงมันคนจะระวังตลอดเวลาเพราะอุบัติเหตุอะไรต่างๆมันเกิดขึ้นได้ทุกขณะเวลาที่เราเผลอ งั้เรื่องความเชื่อของเขานี่ก็ต้องปล่อยให้เป็นไปเรามีทางเดียวก็คือถ้ามีโอกาสชวนเข้าไปวัดไปหาครูบาอาจารย์ที่ท่านมีธรรมะก็ชวนไปดูเนื้อหาอุบายหลอกให้ไปชวนให้ไปเป็นเพื่อนก็แล้วกั น, กน ถ, ถ้าบางทีไปเพื่อเขาเขาตัวเขาเขาอาจจะไม่อยากไปแต่ถ้าไปเพื่อตัวเราก็อยากก็อาจจะอยากจะไปทำสงสารเราเราไปคนเดียวไม่มีเพื่อน ขอให้เขาไปเป็นเพื่อนเขาก็อาจจะไปกับเราแล้วเขาไปแล้วถ้าเขามีโอกาสได้ยินได้ฟังอย่างที่เรามาคุยกันตอนนี้เขาก็อาจจะได้ความความรู้ความเห็นชนิดใหม่ขึ้นมาแล้วถ้าเขาเอาไปเปรียบเทียบดูก็อาจจะคิดว่าเออไปพิสูจน์ดูเขาก็อาจจะคิดว่าเอาสเา อ, จจเอสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนนี่มันเป็นความจริงทั้งนั้นนะก็อาจจะเปลี่ยนเท้าได้แต่จะไปเที่ยวเข็นเขาไม่ ไ, มได้นะ ยิ่งห้ามยิ่งยุคนเราเนี่ยยิ่งห้ามยิ่งต่อต้านเห็นไหมอย่าอย่าไปห้ามเขาอย่าไปยุเขาต้องหาอุบายหลอกเขาหลอกเขาเดี๋ไม่เช่นนั้นก็มีหนังสือธรรมะที่มาจากมาเวลามาวาดได้หนังสือธรรมะก็ไปวางไว้ในบ้านนะวางไว้ใกล้ๆที่แกอยู่นะ่ะเดี๋ยวทั้งวันยังแกอยู่เฉยไม่ได้ทำอะแกก็เปิดขึ้นมาดูเองแล้วพอได้อ่านเข้าเดี๋ยวแกก็จะเข้าใจเอง เราเคยมีญาติมาหาเราทุกครั้งมาหาก่อนหนังสือธรรมะไปแต่ก็บอกเอาไป10กว่าปีไม่เคยอ่านเลยแล้ววันดีคืนดีตกงานไม่มีงานทํามีเวลาว่างก็เลยเปิดหนังสืออ่านดูอ่านแล้วก็ทําให้ความทุกข์ที่เกิดจากการตกงานมันหายไปได้เพราะารู้ว่าโลกนี้มันไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนมีเกิดก็มีดับมีได้ก็มีเสียพอเขาอ่านก็เข้าใจเขาก็หายทุกข์ได้ อย่างนั้นเขาก็อ่านทุกเล่มลที่ที่ได้ไปแต่ตอนต้นเขาไม่มีเวลาก็าจะหามีเวลาแต่ไปหาเงินหาทองได้เงินมาก็จะไปเที่ยวหาความสุขอะไรต่างๆพอวันนึงเกิดตกงานขึ้นมาไม่มีเงินเที่ยวต้องอยู่บ้านไม่รู้จะทำอะไรก็เลยเปิดหนังสือธรรมะอ่านเพราะอ่านแล้วความทุกข์อะไรก็หายไปเห็นคุณค่าของธรรมะอะไรชอบอ่านธรรมะชอบปฏิบัติละนี ขอมพวกนี้มันเป็นเรื่องที่ยัดเยียดให้กันไม่ได้เขาต้องเขาต้องมีเวลามีจังหวะของเขาที่จะรับเอเขามีเวลาว่างเขาได้แล้วเขามีปัญหาแล้วได้อ่านแล้วเขาจะได้รับประโยชน์แก้ปัญหาใจของเขาได้เนี่ยก็จะทำให้เขาเห็นคุณค่าของธรรมะขึ้นมาแล้วเขาจะไม่ทิ้งมันต่อไปเลยเขาจะอยากจะศึกษาเพิ่มมากขึ้นอยากจะปฏิบัติให้มากขึ้นไปตามตามลาดับ ยอย่าแยกเยี่ยทให้กันนะคนที่มาเอาหนังสือไปแจกคนอื่นนี่ขอร้องถ้าเขาไม่ขอไม่ฝากมาให้ไปเอาไปให้ก็ อ, อย่ า, อาไปให้เขาดีกว่าถ้าเขาขอเขาฝากว่าถ้ามาวัดมีหนังสือก็เอาไปเผื่อ <S <S เขางี้ก็เอาไปได้แต่ถ้าจะเอาไปเพราะอยากจะให้เขานี่ยาวไปให้ดีกว่าให้ไปบางทีเขาก็ไม่อ่านอยู่ดีเขาก็ทิ้งไว้เฉยๆเอาไว้ให้คนที่เขาอยากจะอ่านอ่านกันดีกว่า มีถามจาก youtube มาฮะกจากคุณทวีศักดิ์ที่วัดพระอาจารย์จะมีการสอนนั่งสมาธิไหมครับก็เนี่ยสอนทุกวันอย่างนี้ยยังมาถามอีกก็ตายนะย่าสอนอยังไงต้องมานั่งต่อหน้าเหรอนี่ก็สอนแล้วเนี่ยก็กลับไปนั่งเลยนั่งสมาธิที่ไหนก็ได้นั่งคนเดียวนั่งอยู่ในห้องไม่ต้องมานั่งที่วัดรวมกันหรอกอไม่ต้องมีเวลานั่งเวลานั้นเวลานี้เราสะดวกตอนไหนก็นั่งมันตอนนั้นเลย ว่างตอนไหนเหงาตอนไหนก็นั่งมันเลยอย่าไปนั่งดูทีวีนั่งสมาธิกันดีกว่าคําถามจากคุณกุลการให้เงินพ่อแม่ใช้ทุกเดือนถือว่าเป็นการบําเพ็ญเรื่องทานไหมคะเป็นก็ให้ใครก็เป็นทั้งนั้นอ่ะให้พ่อให้แม่ให้พี่ให้น้องให้พระให้เจ้าอให้หมาให้แมวนี่ก็เป็นการทานเป็นการทําทานเหมือนกันทาแล้วใจเราก็มีความสุข บุนก็คือความสุขใจคําถามจากคุณเจมข้อที่หนึ่งการบริกรรมพุโทโธโดยไม่เอาติดกับลมหายใจเรียกว่าอนาปานาัาาสติหรือเปล่าคะไม่ก็พุทธานุสติสิถ้าเอาพุทโธอย่างเดียวไม่เอาลมหายใจก็พุทธานุสติถ้าเอาลมด้วยเอาพุโทโธด้วยมันก็มันก็เป็นสองอันเป็นทั้งอาณาเป็นทั้งพุท ธ, ธาควาจริงมันควรจะเอาอันเดียวเดียวกัาพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เอาสองอัน สอนให้เอาอนาปนานสติให้ดูลมอย่างเดียวหรือถ้าพุทธานุสติก็พุโทโธอย่างเดียวอันนี้ไปรู้ใครมันมามาคิดคนอันใหม่ขึ้นมาก็เลยก็เลยหลงตางกันไปหมดไปอ่านในพระไตรปิฎกดูไม่มีหรอกไม่มีพุทธเข้าโธออกรับรองได้มีแต่อนาปนานสติดูลมเข้าดูลมออกหรือถ้าจะพุทธานุสติก็ล่นนนถึงพระพุทธคุณ รเรืาเลืกถึงชื่อของพระเจ้าพุโทโธพุโทโธไป่สําหรับคนจะปฏิบัติถ้าใช้สองอย่างควบคู่กันได้แล้วได้ผลก็ทําไปไม่ห้ามถ้าบางคนใช้แล้วมันสับสนวุ่นวายก็อย่าไปใช้มันบางทีเผลอพุทเข้าโทตอนนี้มันออกแล้วเนี่ยเหมือนก็เลยแล้วบางทีอยากจะพุทโทรเร็วๆก็ไม่ได้อบางทีจิตมันฟุ้งมากๆจะมาพุทเข้าโทออกมันก็แทรกเข้ามาอยู่เรื่อยๆ ก็อยากจะให้มันเร็วก็ทิ้งนมไปเลยเอาพุทธโธอย่างเดียวให้มันเร็วขึ้นถี่ขึ้นมันจะได้ไม่มีความคิดแทรกเข้ามามันเหมือนกับขับรถนะ่ะคนขับมันก็ต้องรู้จักใช้เทคนิคของตัวเองแก้ปัญหาที่เฉพาะหน้าไม่ใช่เป็นเถนตรงก็บอกพูดเข้ากระโทออกพุทเข้ากโรโโออกนั่งมากี่ปีมันก็ไม่เคยสงบสักทีก็ลองเปลี่ยนดูสิถ้าพูดเข้าโทออกมันไม่สงบลองเอาพุโทโธอย่างเดียวดูซิเป็นยังไง มันช้าบ้างก็ได้เร็วบ้างก็ได้ถ้าพุโทโธอย่างเดียวถ้าพูดเข้าโทออกนี้มันจะให้มันเร็วก็ไม่ได้เร็วกว่าลมก็ไม่ได้ช้ากว่าลมก็ไม่ได้ถ้าถ้าถ้าถ้าไม่อยากพุโทโธเหนื่อยพุโทโธก็ดูลมเฉยๆก็ได้วันทีพุโทโธบ่อยๆมันมันเหนื่อยมันเมื่อยก็ดูลมเฉยๆไปไม่ต้องพุโทโธ<อ>ก็สําคัญก็คือไม่ให้เราไปคิดเรื่องอะไรท่านั้นเอง ที่เราต้องมีพุโทโธแล้วต้องมีลมหายใจนี้ก็เพื่อที่เราจะไม่ต้องการให้มันคิดถึงคนนั้นคนนี้ถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้พอคิดแล้วก็เกิดอารมณ์แล้วก็ฟุ้งขึ้นมาฟุ้งซ่านขึ้นมาข้อ 2. เวลาทํางานด้านบัญชีโดยไม่คุยกับใครไม่คิดอะไรนอกจากตัวเลขถือเป็นการทําสมาธิหรือเปล่าครับและได้ผลเหมือนกายานุสติไหมครับเป็นการเจริญสติแต่สมาธิยังไม่ได้เพราะใจยังต้องคิดอยู่ คิดกับเรื่องของตัวเลขตัวเลขมันก็ทำมันเป็นทำให้ใจคิดยืดยาวได้แต่ถ้าคิดอยู่กับพุทโธนี่มันจะทําให้ใจนิ่งได้ก็ลองดูเนถ้าทําบัญชีแล้วถ้าจิตสงบมันก็เป็นสมาธิถ้ามันไม่สงบมันก็ยังไม่เป็นสมาธิมันก็เป็นเพียงสติคือมันไม่ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้มันคิดอยู่กับตัวเลขเพียงอย่างเดียวแต่คิดกับตัวเลขมันก็อาจจะทําให้จิตวุ่นวายได้ไอ้คิดถูกหรือเปล่า คิดล้คิดไปคิดมาคิดไม่ถูกเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องไปไล่หาแล้วคิดมันผิดตรงไหนถูกตรงไหนมันก็จะสงบไม่ได้หรอกถ้าคิดคิดบัญชีนี่แต่มันมีสติถ้าเราใจจดจ่ออยู่กับงานที่เราทําอยู่นี้เขาเรียกว่ามีสติแต่มีสติแบบที่ไม่ต้องคิดดีกว่าอยู่กับพุทโธอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ต้องคิดเลืออยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายร่างกายกําลังเดินก็ให้รู้ว่ากําลังเดินแค่นั้นเองไม่ต้องคิดมาก คำถามจากคุณปฐุมมาศีลแปดร้องเพลงได้ไหมคะไม่ได้หรอกมันก็มันก็อยู่ในร้องนําทําเพลงนี่แหละดูหนังฟังเพลงคําถามจากคุณป้อมการที่พ่อแม่รู้สึกโกรธหรืองุดหงิดกับลูกไม่ว่าด้วยสายเหปหใดก็ตามบาปจะเกิดกับลูกไหมคะพ๋ อ, อไม่เกิดหรอมันเป็นปัญหาของพ่อแม่เองที่ไปงุดหกิดกับลูกเองความงุหกิดของคนเราก็เกิดจากความอยากของเรานั่นแหละ อยากให้ลูกเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอไม่เป็นก็หงุดหงิดําพางใจขึ้นมาแต่ลูกก็มีส่วนที่ทําให้พ่อแม่หงุดหงิดทํำไมไม่ทําตามพ่อแม่ล่ะถ้าพ่อแม่สิ่งที่พ่อแม่ให้ทําเป็นสิ่งที่ดีก็ควรจะทำแต่ถ้าเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็ไม่ต้องทําได้แต่ความหงุดหงิดนี้มันเป็นเป็นอกุศลเป็นบาปของมันไม่เป็นบาปแต่เขาเรียกว่าเป็นความทุกข์ของพ่อของแม่ที่มีเกิดจากความอยากของพ่อแม่เอง ที่อยากจะให้ลูกเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วพอลูกไม่เป็นก็เลยเกิดความหงุดหงิดลำคาญใจขึ้นมาวิธีที่จะแก้ก็คือพ่อแม่ต้องหยุดความอยากต้องยอมรับความจริงของลูกว่าลูกมันเป็นอย่างนี้แหละลูกเราก็เหมือนกับผลไม้เนี่ยมีลูกหลายคนคนบางคนก็เป็นส้มบางคนก็เป็นกล้วยบางคนก็เป็นสับปะรดจะให้มันเป็นเหมือนกันทุกคนไม่ได้หรอกจะให้มันเป็นกล้วยหมดก็ไม่ได้จะให้เป็นสับปะรดหมดก็ไม่ได้ พแต่ละคนก็มีนิสัยไม่เหมือนกันมีพฤติกรรมไม่เหมือนกันบางคนก็ดีบางคนก็ไม่ค่อยดีบางคนก็กลางๆครึ่งดีครึ่งชั่วเนี่ยเขาก็มาตามบุญตามกรรมของเขาเราเป็นพ่อแม่อย่างมากเราทำได้ก็คือสอนเขาเท่านั้นเองสอนเขาว่าอะไรดีสอนเขาว่าอะไรไม่ดีเช่นการดื่มสุราไม่ดีการเที่ยวเล่นไม่ดีการทางานดีการเรียนหนังสือดี สอนได้แค่ น, นี้ส่วนเขาจะเอาไม่เอานี่มันก็เป็นเรื่องของเขาแต่เราอย่าไปสนับสนุนถ้าเขาขอเงินไปกินเหล้าก็อย่าให้เขาถ้าเขาขอเงินไปเรียนหนังสือก็ให้เขาไปอย่างนี้เราก็ทําได้เท่า น, นี้แต่ไปอยากให้เขาเป็นไปตามใจเราเนี่มันก็จะทําให้เราทุกข์อย่าง ท, ที่นเมื่อกี้ที่ที่สอนไว้ตอนต้องอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไงพออยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอเขาไม่เป็นปั๊บเราก็หงุดหงิดนำขานใจขึ้นมา ถ้าเราหงุดหิดเราต้องหยุด้วเราบอกเออปล่อยเขาดีกว่าก็าจะเป็นยังไงก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกรรมของเขาแล้วแหละเราทำหน้าที่ของเราแล้วเราสอนเขาแล้วบอกเขาแล้วถ้าเขาอยากจะไปติดคุกติดตารางก็ช่วยไม่ได้ถ้าเขาอยากจะไป เ, เกิดปัญหาต่างๆก็ช่วยไม่ได้ในเมื่อเราทำหน้าที่ของเราแล้วบอกทางเขาแล้วทางสู่ความสุขเป็นไงแต่ก็อยากจะเลือกทางไปสู่ความความทุกข์ก็ต้องปล่อยเขาไป คำถามจากคุณวินการกำหนดลมหายใจไว้ที่ฐานจิตสมมุติว่ากำหนดไว้ที่ใจแล้วรู้สึกว่าสมาธิไม่ก้าวหน้าควรเปลี่ยนฐานหรือไม่ครับก็กำหนดผิดที่กำหนดลมก็ต้องกำหนดที่ลมมันลมมันอยู่ตรงไหนก็ต้องกำหนดตรงนั้นอย่าไปกำหนดที่จิตได้ไงลมมันไม่ได้อยู่ที่จิตทช่ไหมลมมันอยู่ที่ปลายจมูกนีให้กำหนดตรงนั้นตรงที่ลมเข้าลมออกมันจะมีความสัมผัสรับรู้ตรงปลายจมูก ก็ให้เฝ้าดูตรงนั้นเพียงอย่างเดียวลมเข้าก็รู้เวลามันเข้าเนี่ยเราจะรู้สึกมันผ่านทางปลายจมูกเข้ามาื่นเนื้ อ, ห ร, อหรือบริเวณเหนือริมฝีปากขึ้นมาเนี่ยมันจะสัมผัสแถวนั้นเราก็จ้องดูตรงนั้นหรืออีกที่หนึ่งที่เราจะดูลมได้ก็ดูที่กลางอกเนี่ยเวลาลมเข้ามันก็พอ ง, ไงไเวลาออกมันก็ยุบเนี่ยเขาถึงใช้คาว่ายุบยุหนอพองหนอ แต่เราไม่ต้องใช้คําว่ายุบหนอะพองหนอก็ได้ให้ดูเฉยๆให้รู้เฉยๆว่าตอนนี้ อ, อกพองขึ้นหรือยุบลงพองก็รู้ว่าลมเข้ายุบก็รู้ว่าลมออกให้รู้แค่นี้รู้เข้ารู้ว่าลมเข้าลมออกเพื่อ <c oughs> ที่เราจะได้ไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คําถามจากคุณออสหลักการสวดมนต์ที่ถูกวิธีควรทําอย่างไรก็สวดด้วยสติให้ ให้เราอยู่กับบทสวดมนต์อย่าไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เหมือนกับอยู่กับพุทธโธเนี่ยบทสวดมนต์ก็เป็นพุทธโธยาวๆเท่านั้นเองแทนที่จะเป็นพุทธโธเล็กๆเราก็สวดอิตีปิโสไปเอตีปิโสปากวาอารหังสัมมาสามพุทธโธก็ให้อยู่กับคําต่างๆเหล่านี้วิชาเจรณาสัมปันโนสุกโตโลกวิทูอนุตโตปุริสธรรมสารธิสัทธา เทวมนุษะนางพุทโธภักวาวติี่ก็สวดไปให้อยู่กับคำสวดอย่าเพอ้อไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วจิตก็จะมีสติขึ้นมาจะหยุดความคิดต่างๆได้คำถามจะคุณเคสขณะสวดมนต์จิตไม่อยู่กับบทสวดคิดเรื่องนู่นนี่นั่นจะต้องบังคับจิตอย่างไรคะอ่าก็ให้อยู่กับบทสวดเองมันไม่อยู่ก็สวดช้าๆสิอลองสวดทีละคำดูดูมันจะอยู่หม ถ้าสวดเร็วมันไปก็ลองให้สวดช้าหน่อยให้มันสละสละอาไปอิติปิโสภะกาวาอะระหังซ้มมาดูเรื่องมันจะไปไหมคำถามจากคุณโสพิธปัจจุบันลูกอายุห้าสิบเก้าปีกำลังพยายามวางธุรกิจค้าขายที่ทำอยู่ได้ทำบุญทำทานมาหลายสิบปีรักษาศีลห้าบางครั้งไปรักษาศีลแปดที่วัดฝึกภาวนามาได้ประมาณห้าปี ช่วงกลางวันทํางานตอนเย็นสวดมนต์ภาวนาฟังธรรมก่อนนอนตื่นเช้ากําหนดสติตั้งแต่ตื่นนอนห้องพุโทโธถ้าปฏิบัติแบบนี้พอจะเอาตัวรอดจากความทุกข์ได้ไหมคะอ่าเราก็สันทิฏฐิโกงปฏิบัติมันก็ต้องดูผลที่เราปฏิบัติไปปฏิบัติแล้วเรายังทุกข์อยู่หรือเปล่าละ่ะถ้ายังทุกข์ก็ยังไม่หลุดใช่หไหมถ้าไม่ทุกข์ก็หลุดเนี่ยก็ผลมันอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่เหตุที่เราทํานี่แหละ ถ้าเราทําแล้วความสงบมากขึ้นความทุกข์น้อยลงก็ถูกจะแต่จะหมดไม่หมดนี่ก็อยู่ที่ตรงนี้ันมาหาความสุขจากการทำใจให้สงบดีกว่าที่มาปฏิบัติกันก็นเพื่อทําให้ใจเรามีความสุขกันแต่ถ้าเราไม่ควบคุมความคิดไม่หยุดความคิดมันไม่มีวันสุขได้ต้องหัด ใช้สติหยุดความคิดเวลาคิดอะไรพอได้สติก็คิดไปทำไหมหยุดคิดไม่ดีกว่าแนละ้วอย่าคิดมันจะคิดกระสุนกัความคิดนี้คิดในทางปัญญาตลอดเวลาสติก็ไม่ไปไหนสติอยู่ในปัจจุบันตลอดเวลาถ้าอย่างนี้พิเรศพมาป๊บมันจะเห็นปับ๊บมันจะฆ่าได้ทันทีเลยคำถามจากคุณเฉลิมพล ถ้ากำหนดเป็นหายใจเข้าคิดคําว่าเกิดหายใจออกคิดคําว่าดับได้ไหมครับลองดูซิมาถามแล้วทําไมเนาะคุณเป็นคนทําอ่ะทําแล้วมันได้ผลก็ทําไปถ้าไม่ได้ผลก็อย่าทํามันคําถามจากคุณวรพลละนันทิคืออย่างไรครับต้องไปเปิดจับตาม o ูเกิลดูเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคําถามจากคุณเตยพระอาจารย์ช่วยเล่าเรื่องนางประตาจราให้กระผมฟังหน่อยครับเรายังไม่รู้เลย S <S ไม่เกยได้ยินลองลองเสิร์ชใน Google ดูสิอยากจะรู้อะไรของพวกนี้มีเยอะแยะไปในอินเทอร์เน็ตเรารู้เพียงแต่พุทธโทรเรื่องเรื่องสติปัญญาเรื่องเรื่องไตรลักษณ์อริยสรรัจสีเท่านี้นะเรื่องอื่นเราไม่ค่อยรู้ล่ะรู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้ไม่สำคัญการปฏิบัตินี้ขอให้รู้แค่ศีลมีอะไรบ้างสมาธิมีอะไรบ้างปัญญามีอะไรบ้างรู้แค่นี้พอแล้วไม่ต้องรู้มากไปกว่านี้ ของพวกนั้นรู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้ของพวกนั้นรู้แล้วมันอาจจะช่วยให้เรามีกําลังใจหรือรู้แล้วมันมีมันมีตัวอย่างมีบทเรียนให้เราดูว่าเออเขาทําอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้นะเท่านั้นเองคำถามคำถามต่อไปจาก youtube นะครับจากกุทวีศักนะครับน้องที่ร่วมฟังพระอาจารย์ฝากถามครับจะทําทอย่างไรถึงจะทําอย่างไรถึงจะให้เข้าใจคนอื่นมากขึ้นเพราะตอนนี้ใครมายุ่งรู้สึกราคาญ และเป็นทุกข์ครับก็พิจารณาว่าเขาเป็นตายรักแลว้วก็จะเข้าใจทุกคนเป็นอนิจจังไม่เที่ยงแท้แน่นอนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสามวันดีสี่วันไข่เอาอะไรแน่นอนจากใครไม่ได้ดงั้นอย่าไปหวังอะไรจากเขาอดีที่สุดตอนนี้คาถามยั ง, งหมดแล้วใช่อหมคนเราเหมือนกันหมดเนะ่ยไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยสามวันดีสี่วันไข่ บางวันก็ดีแสนดีบางวันก็โหยังยังกลับเป็นอะไรก็ไม่รู้เอาอกเอาใจยังไงก็ไม่ได้พูดยังไงก็ไม่ได้เห็นเข้าใจว่า น, นี่คือธรรมชาติของจิตของพวกเราทุกคนมันยังไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันเป็นอนิจจามันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามเหตุการณ์ตามอารมณ์ต่างๆที่มันผุดโผล่ขึ้นมาในใจเราก็เหตุการณ์ภายหน้าก็ทำให้เราบางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดีใช่ไ อารมณ์ภายในก็บางวันก็ทําให้เราดีบางทีก็ไม่ดีมันก็เป็นธรรมชาติของคนเราทุกคนยนิ่นถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เราเราจะได้เฉยๆเวลาก็ไม่ดีเราก็เฉยๆว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวมันก็ดีเองเวลามันดีก็เฉยๆอย่าไปดีใจเดี๋ยวมันก็ไม่ดีให้รู้ว่ามันขึ้นๆลงๆองนี้ชีวิตเราเหมือนกับเดินเดินทางขึ้นเขาลงเขาเนี่ยเส้นทางชีวิตของพวกเรามันเหมือนเส้นทางที่ขึ้นเขาลงเขาอะ บางวันก็ลงบางวันก็ขึ้นบางวันก็สุขบางวันก็ทุกข์บางวันก็วุ่นวายบางวันก็สงบบางวันก็สมหวังบางวันก็ผิดหวังแต่เราต้องทําใจเฉยๆกับทุกอย่างว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาถ้าเราทําใจเฉยๆแล้วเราจะไม่เดือดร้อนมันขึ้นก็ช่างมันมันลงก็ช่างมันเดี๋ยวก็ตายคิดอย่างนี้มันก็จบเราใจเราจะอยู่อย่างสงบความสงบนี้สําคัญที่สุด ถ้าเราเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างว่ามันขึ้นขึ้ น, น ล, งลงลงแล้วเราอย่าไปยึดไปติดมันแล้วเราก็จะไม่วุ่นวายไปกับมันเาใจของเราจะนิ่งจะสงบจะมีความสุขไปตลอดเอาแล้วนะคิดว่ามีไหมเ อ, เอาเอาสุดท้ายคำถามาสุดท้ายจากคุณกุลสวดมนต์มากหรือน้อยบทไม่สำคัญใช่ไหมคะควรจะฝึกสมาธิมากกว่าใช่หรือไม่เพราะถ้าตั้งเป้าหลายๆบทไปแล้วรีบสวดเหมือนไม่ได้อะไรเลยคะ่ะเออ คือการสวด น, นี้เพื่อเอาสติเพื่อเอาความสงบไม่ได้เอาว่าจะต้องสวดกี่บทกี่อะไรถ้าสวดไปขึ้นจิตสงบก็หยุดสวดได้นะถ้าจิตสวดไปครบที่เรากําหนดแล้วยังไม่สงบก็ควรจะสวดต่อังนั้นอย่าไปตั้งอยู่ตรงที่ปริมาณของการสวดตั้งอยู่ที่ผลว่าสวดแล้วมันสงบหรือไม่สงบและจะสงบไม่สงบก็อยู่ที่สติว่าเราอยู่กับการสวดหรือไม่ตอนนั้นเอง ให้ดูตรงนี้ดูที่สติแล้วดูที่ผลที่เกิดจากการสวดถ้ามีสติเดี๋ยวมันสวดไม่กี่คำมันก็สงบได้ถ้าไม่มีสติสวดไปหลายบทมันก็ไม่สงบเห็นสติเป็นตัวสำคัญที่สุดเอาแล้วนวะนะคิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนําเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิษพิจารณาไปปฏิบัติ เพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเท่าน